แต่เมื่อเพิ่งหนาวเมื่อวานก็หนาวอยู่บ้างแนะ่ะแต่วันดูสีวันนี้จะจะกว่าจะกว่าเมื่อวานนะี้ดินฟ้าอากาศเปลี่ยนปุป๊บเปลี่ยนปรับเนี่ยทำให้คนเป็นไข้เป็นหวัดแต่หลวงพอ่อหลวงพ่อว่าถ้าแต่งได้นะจะเอาอย่างปีนี้และว่ะร้อนก็ไม่ร้อนหนาวก็ไม่หนาวปีนี้พอดีพอดีถ้าแต่งได้จะเอาอย่างปีนี้มัน แต่บางปีมันหนาวจริงๆนะมันลงถึงห้าถึงหกถึงสามก็ยังมีแต่ว่าสิบเอ็ดสิบสิบเดสิบนี่ยก็พอแรงอยู่นะนะหนาวนี่นะแต่นี่ลงพ่อว่าประมาณสักยี่สิบเอ็ดและยี่สิบสองออากาศช่วงนี้นะถ้าคิดเป็นคิดแบบแอร์นะแอร์เนี่ยคนอยู่ได้แค่ยี่สิบห้าเนี่ยสบายสบายคนอะ่ะ บริษัทบริวารของหลวงพ่อเนี่มากจริงๆเห็นไหมโวยโหนโจนทยานลองสนานวันไว้แต่ละวันแล้วก็ก็ถามหลวงพ่อเหมือนกันนะหลวงพ่อสัตว์ในวัดของหลวงพ่อนี่สัตว์อันไหนมากที่สุดอ hmm. เห็นตะปูกระมดเนี่ยมากอา้าวมันก็เป็นสัตว์เหมือนกันใช่ไหมล่ะอาจจะว่าเลี้ยงมากกเป็น นับสีตัวมดตัวผัวมันก็สู้พดมดสู้ปวัปวไม่ได้ฮชหลวงพ่อก็เลยกว่าผวกกับมดแล้วมากในวัดเนี่ยวะถึงจะลิงมากมันก็มากอย่างนั้นแหละต่ก่อนหมูป่ามากหมูป่าเป็นร้อยแต่นี้จับไปเกือบหมดแหละยังเหลือไม่เท่าไหร่ยังเหลือไม่กี่ตัวเลยหมูปา่าแต่ลิงนะ่ยยังเยอะอยู่เลยมันมีอยู่ลิงอยู่สามฝูงนะลิงในวะัดหลวงพ่อมีอยู่สามฝูง แต่วันไหนมันมาเจอกันวงจรมาครบกันกันวันนั้นแหละเกิดศึกขี้หมากันแล้วงั้นแหละหัวหน้าก็ไปเชิญหน้ากันเลูกน้องะอกันตั้งมัดตั้งมวยแล้วเหมือนกับคนเลยแล้วงั้นแหอะคนเราก็เหมือนกัน่ะพวกไค่พ้องเรางั้นเหมือนกับลิงหนึ่งมนุษย์ของเราคงจะเอามาเนื้สัยจากพวกลิงเหมือนกันนะเพราะว่าคนมันกาย กลายมาที่แรกเป็นลิงซะก่อนต่อมาเป็นคนแต่ในพวกยังเป็นลิงอยู่กันเลยยังยังสู้กันต่อว่งั้นเลยสามคนสามพวกนี้ลิงที่วัดหลวงพ่อสามกกมางกกทัวร์กกหนึ่งก๊กแถบแถบนี้กกหนึ่งก๊กทางหลังวัดกกหนึ่งถ้ามันมาเจอกันแลรกกันนั่นเลยเกิดสิกขี่หมากันแล้วว่าเสียงสนั่นวันไวแสดงว่า เออลินฝูงลิงมาเจอกันเหมือนกันไม่ใช่เกิดเจอกันด้วยความชมาณฉันไม่ใช่นะหญิงเขี้ยวใจอกันนะไม่ใช่ธรรมด า, าวเหมือ น, นเออพวกใครกลุ่มอะไรกลุ่มเราหญิงเขี้ยวเจอกันเหมงอนกันเอะอจะ ก, กัดจัฟัดกันจริงๆริงเลยเห็นแล้วโอ้ต่างคนต่างอยู่แล้วก็แล้วไปทําไมไปหากัดกันะลิงมัดหลวงพ่อมอยู่สามพวกแต่ชนีโดดเดี่ยวเตียมีชนีอยู่ตัวเดียว เออแต่ละวันเนี่ยโอ้ลองควนคางหาหมูว่ากันเถอะเนี่ยเนี่ยมันสัตว์มันก็แปลกเหมือนกันนะถ้าไม่มีหมูจริงๆก็ลองควนคางหาหมูว่ากันนะโ อ, โ, อโอ้จะไปปไปไปเป็นหมูลิงลิงก็มาให้เป็นหมูเลยเนี่เออจะให้มันจะไปเป็นหมูข้างข้างก็ไม่ให้เป็นหมูว่ากน เ, นเอะเออชนนี้เราอยู่แบบเดียวดายเออ คิดสนุกขึ้นมาง่อมเงาขึ้นมาแล้วก็ร้องแม่อวันนี้ไม่ได้ยินเสียงร้องไปไหนเมื่อวันแต่ตั้งชี่ยวสมชายนะชะนีหลวงพ่อเนี่ยตั้งเชี่ยวชะนีสมชายไม่ใช่เพิ่งตั้งนะตั้งมาตั้งแต่เป็นสิบกว่าปีแต่ชะนีตัวนี้หลวงพ่อชะนีตัวนี้อายุยืนมากชะ น, เนีเป็นชะนีดำวันนี้ก็เป็นวันที่สามมีนาห้าสามนะ นีะชีวิตของพวกเราแปรผันไปเรื่อยๆวันนี้แก่กว่าเมื่อวานปีนี้แก่กว่าปีที่แล้วไหลไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สํารวมกายวาจาของตนเองอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเกิดมาทั้งทีชีวิตได้พบพระพุทธศาสนานาว่าเป็นผู้โชคดี ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าพระพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นในโลกนลยไม่ใช่ว่าจะอุบัติขึ้นได้ง่ายในระหว่างศาสนาต่อศาสนามันก็ว่างอยู่หลายปีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนปีจึงมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกโคงนึงแต่พวกเราถึงจะไม่ได้เกิดพบพระพุทธเจ้า แต่พวกเราเกิดมาก็ได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เมื่อเราได้ใช้สติใช้ปัญญาของเราเท่าที่มีอยู่กับตัวของเราเราวิเคราะห์ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่นั้นเอามาวิเคราะห์ในแง่มุมใดในเรื่องของการเสียสละคือการทำทานก็มีเหตุผลถ้ามนุษย์อยู่ด้วยกันไม่มีการเสียสละต่อกัน มนุษย์ที่แรงน้ำใจก็หาความสงบผาสุกไม่ได้ในชนกลุ่มนั้นชุมชนนั้นถ้าคนไม่มีศีลอยู่ด้วยกันหลายคนต่างคนก็ต่างแก่งแย่งกันมีแต่เบียดเบียนกันมีแต่คิดจะรัดโอปเปียวกันมีแต่จะฆ่าจะคดจะโกงจะขโมยกันเออกินเหล้าเมายาสเปะสะปะเอออวายามุกทุกอย่างอยู่ในชนกลุ่มนั้น ในยุคนั้นสมัยนั้นก็หาความสงบพร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้นี่เราเอามาวิเคราะห์นะเอาทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาวิเคราะห์ถ้าชนกลุ่มใดจิตใจปรุงฟุ้งซ่านจิตใจไม่สงบจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแปลว่าคนขาดสติอี่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องสมาธิคือให้มีสติอยู่กับตัวเองถ้าคนยุคใดสมัยใดคนที่ขาดสติไม่มีการยับยัง้ง คนในยุคนั้นสมัยนั้นก็หาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะนั้นเราจะนำทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาวิเคราะห์ในด้านมุมใดในแปดหมนสี่พันพระธรรมขันธ์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นั้นล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลเพราะนั้นเราจึงได้เชื่อว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสรุปรำหรือได้ประกาศรม ได้เผยแผ่ธรรมที่วางทำคำสอนไว้ที่พวกเราได้มาพบมาเจอจุดท้ายปลายแดนเราได้นำทำคำสอนมาประพฤติปฏิบัติหรือนำทำคำสอนมาวิเคราะห์กัรล้วนแล้วแต่เป็นหลักเหตุผลแต่ผู้ใดก็าตาม่ถ้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วออกนอกลูนอกทางอันนั้นเป็นเรื่องของแต่ละคนแต่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคงเส้นคงวา อย่างเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่คนที่นํำทมคำสอนมาประพฤติปฏิบัตินั้นอาจจะตีเข้าข้างตัวเองบ้างอาจจะเข้าข้างกลุ่มหมู่คณะของตนเองบ้างแต่ว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางไว้แล้วนั้นไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่เป็นของใครเป็นของผู้ที่นับถือเลื่อมใสแล้วก็นามาประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์ ต่อชุมชนต่อคนในยุคนั้นสมัยนั้นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้มาเกิดในยุคนี้สมัยนี้ก่อนยุคนี้สมัยนี้ไม่ใช่ว่าคนจะเลื่อมใสนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแต่ว่าพวกเราได้ศึกษาได้ฟังได้วิเคราะห์ดูแล้วว่าทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามีเหตุผล อย่างที่หลวงพ่อว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทานทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้มีกฎระเบียรรักษาศีลทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ภาวนาทำจิตให้สงบทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้จิตสงบเพียงไม่เพียงพอจึงสอนให้พิจารณาทางวิปัสสนาให้แยกแยะอีกทำไมพระพุทธเจ้าบอกว่ า, วาถ้าหากว่าไม่แยกแยะ ร่างกายก็คือร่างกายส่วนจิตใจก็คือส่วนจิตใจมันของสองอย่างเราจะมารวมกันไม่ได้คือเรื่องร่างกายก็มันไหลไปตามสภาพของร่างกายคือรู ป, ปรธรรมส่วนนามธรรมคือจิตใจเราก็จะต้องนำมาวิเคราะห์นำมาคิดไตรตรองใช้ปัญญาในหลักเหตุผลอันนี้คือวิปัสสนาหรือว่าแนวความคิดที่ใช้ปัญญา สรบแล้วก็คือมันเป็นคนละหมวดคนละหมู่แต่มันเกี่ยวเนื่องกันแต่มาแยกแยะออกไปแล้วมันก็คนละอย่างแต่เอามารวมกันก็คืออันเดียวกันมันเกี่ยวเนื่องกันเหมือนกับต้นไม้ก่อนที่มันจะใหญ่ขึ้นมาได้ก็ต้องมีรากแก้วรากฝอยมีเปลือกมีกัะพี้แล้วก็มีแก่นมีใบเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันแต่มันแยกออกไป มันก็ควรและส่วนกันเนี่ยหลักของพทธศาสนาถ้าเรานํามาวิเคราะห์นํามาพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุผลแล้วหลวงพ่อว่ามีเหตุมีผลนะเพราะฉะนั้นท่านจะพูดในแง่ ม, มุมใดการอยู่ด้วยกันผู้ใหญ่ควรเป็นยังไงผู้น้อยควรเป็นยังไงผู้ที่อยู่เกี่ยวข้องควรเป็นยังไงในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอน ที่มาพูดในเรื่องนี้ก็อดคิดไม่ได้ที่จะนำแนวความคิดของคนโบราณเขาเปรียบเทียบนินนทานประเทศพม่าใช่ไหมนิทานนิทานพื้นเมืองประเทศพม่าแต่ตามมาจิงก็นิทานเรือ่องเป็นก็เป็นแนวความคิดมันสอนคนนิทานเนี่ยคือสอนคนเหมือนกันเถ่สอนคนให้เป็นแนวความคิดถ้าสอนธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่สำนึก อาจจะจำได้ยากแต่ถ้าเป็นนิทานขึ้นมาเนี่ยอาจจะจำได้ง่ายสมัยหนึ่งมีพระเจ้าแผ่นดินปลอมแปลงตัวออกไปสืบเวลากลางค่ำคืนก็ออกไปใส่ชุดทบชาวบ้านธรรมดาก็เดินไปไปดูว่าตรงไหนบ้างที่จะมีอะไรก็มีมหาดเล็กผู้ใกล้ชิดเนี่ย คนหนึ่งติดตามมากระแต่คือรักษาพระเจ้าเป็นดินที่แบบมหาเล็กคงนี่ก็คงจะพร้อมหมดทุกอย่างนะั้ะทั้งมัดทั้งมวยทั้งอะไรทั้งจัตตราอาวุธก็คงจะพร้อมผู้ติดตามมากระแตพระเจ้าเป็นดินกับไปทุกแห่งทุกหนทุกซอกทุกมุมพอไปไปวันหนึ่งไปเห็นยายแก่กําลังตําข้าวกลางคืนว่าตําข้าวอยู่ พระเจ้าแป็นดินถูกกลิ่นข้าวอข้าวคงจะเป็นข้าวใหม่มั้งเขาตําตมันกลิ่นหอมมากันเถอเพราะตินหอมกลินกล่นข้าวมันหอมตํำมาก็เลยบอกบอกมหาดเล็บเฮ้ยมหาดเล็กไปขอข้าวกับยายแก่เนี่ยสิไปขอลำํำมาขอลําอ่อนกับยายแก่สิํากกใหญ่ๆหนึ่งนะพระองค์จะเอามาอะไรโอ้ยเอามากินแล้ว่ะโอ้ย ไม่ได้เนี่ยพระเจ้าเป็นดินกินลำเลยมันเสียศักดิ์ศรีเด้อเนี่ยลำเลยมันมีแต่ให้หมูก็ให้ม้ากินเลยให้วัวกินเยอันนี้พระเจ้าเป็นดินกินลำเนี่ยเสียศักดิ์ศรีเด้อเอามาธนามหาดเล็กก็ได้รับคําสั่งมหาเล็กก็ไปก็เลยขอขอลำกับยายเหมือนนที่กําลังตําข้าวกลางคืนยายก็ให้ข้าวเอาเอาเ อ, าเ อ, าเอากรรมมาต้องการเท่าไหร่ อาหารเล็กอะไรเอากำบักใหญ่หนิวันใส่ไปกล้วยห่อมามาให้มหารเลก็กเขบอกว่าโอ้ยพระองค์อย่าสวยเถอะเนี่ยสวยลำเนี่ยมันไม่ดีเด้เสียศักดิ์ศรีเด้เอีเดี๋ยวจะยินไปที่ไหนก็เสียศักดิ์ศรีพระเจ้าแผ่นดินกินลำเนี่ยลำน้ำก็ให้หมูให้ ว, วัวให้ม้ากินนะอันนี้พระเจ้าแผ่นดินกินลำเนี่ย มันจะเสียศักดิ์ศรีของพระองค์ได้เป็เจ้าเป็นนินเอาชนาเราอยากนี่วะเธออย่าพูดไปมานะถ้าเธอพูดในอขาดนะจะพูดให้เราอยากอยากมีแต่เราสองคนเท่านี่แหละใครจะเป็นคนพูดใครจะไปใครรู้อ่ะเราอยากอย่าพูดไปพูดมานะขืนพูดถ้าออกไปแล้วก่อนคนะอขาดก็แล้วกันนะผลที่สุดมหาดเล็กก็ไม่รู้จะทำยังไงม่ พรเจ้าไปนะเนร ก, กินลํำเงี้ยอย่างที่ตัวเองอยากอร่อยหรือไม่อร่อยกมหาดเล็กก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอร่อยไหมเหมือนกันเถอะพอกินเสร็จแล้วก็ต่างคนก็ต่างหยุดกันลเลยใช่ไหมไอแต่ตัวมหาดเล็กนี่สินี่ไหอมันคันปากเหมือนกันเถอไปที่ไหนไออยากจะพูดเหมือนกันเถอะอยากจะพูดแต่พูดไม่ได้กลัวคอขาดคั่นอยู่อย่างนั้นแหละปากก็ยุบขยับ อดไม่รอทนไม่ไหวว่างันมันอัดอั้นตันใจอยู่ที่ไหนก็นถึงจะนอนเมื่อไหร่จะเป็นประสาทเอาว่างั้นแต่ทําไม่ได้ระบายเหางั้นเัอะเออพรอยากจะพูดให้ใครใคฟังวันหนึ่งก็เลยว่าไปกลางทะเลดีกว่าไว้ไปจะพูดจะไปกลางทะเลจะไปพูดว่าปยากินลำแล้วจะไปพูดในกลางทะเลว่างั้นเถอพอพายเรือไปแล้วก็ไม่กล่าพูดกลัวคนแถบนั้นจะได้ยินอีกว่างั้นเถอะเออพวกเรือเขาจะได้ยิน กลับเข้ามาอีกไปกลางท้องนาอีกจะไปพูดโอ้พยากินลำแน่เอเอเก็กลัวกลัวพวกหาปูหาปลาแถ่นั้นจะยินอีกนี้ไม่รู้จะพูดอย่างอัดอั้นตําใจเหมือนกันแต่ดวันหนึ่งก็เลยเข้าไปในป่าดงเนี่ยป่าดงก็ขึ้นไปเออหามองหาใครไม่เห็นไกลๆขึ้นไปเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งเออต้นไม้ปะดูใหญ่เหมือนกันเถิ มันก็เป็นโพรงอยู่ข้างใ น, นนี่ก็ปีนขึ้นไปข้างบนไม่มีใครก็มองลงไปในโพรงก็ไม่มีใครเหมือนกันแต่เสร็จแล้วก็ระบายออกมาทีว้าพยากินลำพยากินลำเพื่ออในโพรงในโพรงไอ้ไม้ประดูเว่างั้นแต่พยากินลำพยากินลำพยากินลำเหมือนกันเออแต่นี้ก็เลยลงมาโอพอที่พูดแล้วหายห่วงทีนี้ อสบายใจว่ากันเถอะพอได้ระบายออกแล้วกันแต่นี้ต่อมาไม่นานเท่าไกองเองไผ่ลีของพระเจ้าเป็นดินแตกบ้านนีอ้อบานนี้เขาก็หาไม้ก่อนหาไปหามาไปเห็นไม้ประดู่ต้นนั้นเขาก็โค่นมันตามปกติเขาจะต้องใช้ไม้มันเป็นโพรงนะเห็นไหมอมันเป็นโพรงข้างในเท่าก่อนเขาจึงทําเป็นกองได้เพราะคนสมัยนะั้นเครื่องไม้เครื่องมือของเขาผมมันหา เครื่องไม้ยากเครื่องมื อ, อยาอย่างไม่เหมือนทุกวันนี้มันเขาต้องไม้เป็นโพรงมันเขาก็เลยไปตัดพอตัดเสร็จแล้วก็มาทําเป็นกองเนี่ยเขาก็มาขูดมาเกลีโอ้ใครใครเห็นโอ้เหน้าเป็นเป็นกองไพลีตีเข้าสงครามได้แล้วเนี่ย ม, มันทําสวยงามเหลือเกินเหมันพอเสร็จแล้วก็หุ้มหนังเสร็จเรียบร้อยเขาก็ใครก็ยังไม่กล้าตีแล้วมันกันเถอะต้องให้พระราชาเป็นคนตีก่อนเมันกัน่ะ นี้เขาก็ห่มหนังเสร็จแล้วก็ขึ้นมาขึ้นห้างเสร็จเรียบร้อยให้พระเจ้าเป็นดินเป็นคนตีมั น, นพระเจ้าเป็นดีก็ซัด ต, ตีด้วมันน่าจะดังตุ่มตุ่มตุ่มตุ่มตุม่มตุ่มงนตีกองไงปพอได้ตีตบเข้าไปพญากินล่าพญากินลาพญากินล่เอา้าวทำไมว่วะ ทำไมกองตอนนี้นมันเสียงดังอย่างนี้วะทําไมมันพยากินมลําพยากินมลําพยากริ่มล้ำพยาไปเจ้าไปดีกัหยุดตีทันทีอ้าวทาไมเป็นงี้วะคนที่รู้จักคื อ, คอใครเนี่ยว่ามหาดเล็กเท่า น, นั้นแหละเป็นคนรู้จักเออไม่มีใครรู้จักพวกเราคิดคิดดูกันแล้วกันนะ่ะมหาดเล็กคนนั้นจะเป็นยังไงอหลวงพ่อว่าต้องคอขาดแ น, น่ๆเขาก็ไม่อธิบายต่อว่า พระราชาจะสืบได้ยังไงงั้นนี่แหละที่ทานเรื่องนี้ถ้าเรามาวิเคราะห์ดูแล้วก็ให้รักษาคำพูดเราได้ยินเรื่องอะไรมาแปลปลอมยังไงเรื่องอะไรถ้าหยุดกับเราเรื่องมันจะไม่เกิดอย่างที่บ้านเมืองทุกวันนี้ก็เหมือนกันถ้าได้ยินอะไรมาเอาพักไปขยายความมันไม่มีที่สิ้นสุดถ้าหยุดพูดสักบ้านเมืองก็จะจก เรื่องเราทั้งหลายทั้งปวงก็เหมือนกันถ้าเราได้ยินเรื่องอะไรมาเราอยู่กับเราถ้าจบอย่าไปพูดออย่าไปเหมือนมหาดเล็กเหมือนนั้นเถอะถ้าไปพูดแบบมหาเล็กนะคอขาดแนะ่ะอพระราชาต้องสืบสอบหาให้ได้เหมือนนั้นเถอะใครต้องมหาดเล็กเนะ่ยไม่มีใครรู้แล้วมีมีแต่ข้ากับเองธนเดเอวันนั้นนะอ่ะมึงไปพูดยังไงก่องตัวนี้มันยิงเสียงดังอย่างนี้เนี่ยพระราชาก็ต้องสืบสอบหาให้ได้เหงือนนั้น เี่แต่ท่นี้พระราชาก็เหมือนกันเลยหลวงพ่อว่านะถ้ามาพิจารณาอีกในมุมหนึ่งตัวเองเป็นพระราชาจะทําอะไรมันก็ต้องคิดเสก่อนไม่ใช่อยากจะกินอะไรก็กินอยากจะกินลำก็กินเอตามไม่จริงมันไม่ถูกเนี่ยอาหารลำเนี่คืออาหารหมูกับอาหารมา้าอาหารบวนโดยมากเป็นอาหารหมูมากกว่าตัวเองจะทําอะไรมันกินอาหารหมูเนี่ยเอถ้าไปได้ยินไปถึงไหนมันก็นา่าอับอายขายหน้าใช่ไหมล่ะ ก็น่าจะรู้จักว่าเออถึงจะอยากก็ไม่ควรจะกินเพราะเราเป็นพระราชาเป็นพระเจ้าเป็นดินปกครองเขาถ้าคนทั้งหลายได้ยินว่าพระเจ้าเป็นดินกินลำเลยนีย่มันก็น่าจะอาบอายแต่สิ่งไหนที่มันไม่ถูกก็ไม่น่าจะทําอันนี้ก็เป็นแนวความคิดเหมือนกันอยพวกเราอยู่ในสถานะไหนอในสถานะหลวงพ่อใช่ไหมละ่ะหลวงพ่อไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกเออถ้ามันความลับออกไปเนี่ย มันก็นขายหน้าลุมพ่ออีกเหมือนกันเราเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าเราทำไม่ถูกถ้าเขาเออกไปขายายผลอ้ลูกเต้าของเราพี่น้องของเราเขาก็ขายหน้าอีกเจ็บเพราะนั้นเราเป็นผู้ใหญ่อยู่ในสถานะไหนเราก็ควรจะคิดให้ดีว่าการพูดการจะกระทำออกไปในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม พวกเราควรจะทบทวนไตรตรองด้วยเหตุและผลซะก่อนควรจะทําหรือจะพูดในสิ่งนั้นๆันี่แหละอันนี้คือให้พวกเราให้ตรวจตราดูตนเองให้คิดใ ห, ให้คิดให้ดีซะก่อนแล้ยังค่อยทํายังค่อยพูดในเรื่องราวต่างๆในเรื่องนั้นๆจะเป็นผลเสียหายเป็นผลบวกหรือเป็นผลลบคนโบราณเขาว่า คนคำพังเพยของเมืองไทยว่ะถ้าหากว่าพูดดีเป็นสีแก่ปากถ้าพูดมากปากเป็นสีคือตบปากเลยปากแตกเลยตนตนตบปากบนตีปากเลยพูดดีได้ไัยเบียยพูดไม่ดีเสียภัยเบี้อแต่หลวงพ่อก็จำคำนี้ไม่ได้แต่สรุปแล้วก็คือถ้าพูดไม่ดีเสียเสียเงินเสียทองถ้าพูดดีมาก ได้เงินได้ทองเพราะอาศัยปากเพราะนั้นเรื่องปากไม่เป็นสิ่งสาคัญปากเป็นเอกเลขเป็นโทในสุภาษิตเมืองไทยสมัยหลงพ่อเป็นเด็กปากเป็นเอกเล่ดเป็นโทหนังสือเป็นตรีให้ข้าว่าคนจะดีหรือคนจะชั่วมันต้องอาศัยปากเนี่ยถ้าปากตีแล้วเป็นสง่าราศีได้ดีเพราะปากแต่คนไม่ปากผลเป็นไม้อย่างนี้ใครจะออกมาเป็นนายกใช่ไหมล่ะ อคนที่เป็นนายกได้ก็ต้องมีปากต้องมีเหตุมีผลในการพูดเอแต่นายกพูดไม่ถูกตกตําแตงก็มากต่อมากอีกเหมือนกันะไม่ว่าแต่นายกลอแตะคนใครอื่นทั้งหมดเน่ะเสียเพราะปา ก, กมีมากต่อมากะอในทานในชาดกเหมือนกันเต่ามันอยากมันอยากจะไปอยู่น้องอื่นนกกรยางก็เลยถามว่า แกอยจะไปอยู่น้องอื่นไหมน้องนี่มันแห้งแล้วโอ้ยอยากจะไปนะถ้าอยากจะไปเตียวพวกเราจะช่วยนกกระยางบอกจะช่วยได้ยังไงเอาให้ตะแกียคาบไม้ตรงกลางนกกระยางสองตัวคาบขนส่วนไม้เดี๋ยวหามไปแล้วก็จะไปลงหนองก็ได้เนเต่าแต่จะจะไปพูดนะเน่ยต้องคาบไม้ให้แน่นนะเนียนกกระยางบอกเออได้ แต่เด็กเขาให้คาบไม้ท่านี่นกย่างอะไรคาบสองส้นไม้พาบินขึ้นอากาศเอพอบินขึ้นอากาศไปผ่านกรุงพาลานสีสมัยนะั้นพระเจ้าเป็นดินเนยมันบินก็คงจะบินต่ำท่านนี่นกย่างมันบินต่ําคงจะหนักมนะั้งคนก็เห็นท่านี่คนเขาว่าโอ้เต่าเตาหามนกเตห า, า, ต ห, า, าตหามนกย่างเตาหามนกย่างเตาหามนกย่างหน่อยเพราะมันเต่า อ, อยู่ตรงกลางเนี่ย ไอ้โจเต่าเนี่ยก็อยากจะพูดว่าไงแต่บอกว่าไม่ใช่นกยางหับนกยางหามเตา่านกยางหามเต่านี่เอเต่าก็เลยอ้ า, อ า, อาปากก็เลยจะพูดว่านกยางหามเตา่าเท่านั้นมันก็เลยหลุดต้มลงมาเต่าเท่านั้นก็เลยหลังแตกเพราะนั้นหลังเต่ายังแตกเป็นตะปุ่มตะป่ําทุกวันนี้เพราะมันตกลงมาจากที่สูงเขาว่าไอา เนี่ยพ่อตายพ่อปากคนน่ะชมชายมันกำลังจะร้องเพลงให้ฟังเอารับพรนี่สิ